ว่าทำเล่นๆนี่แหละไม่ต้องอะไรมากทำเล่นๆแต่ทำจริงจังหมายความว่าเราไม่ได้ไปขึงเครียด ก, กับมันเราก็ทำสบายๆผ่อนคลายพยายามมีสติอยู่ที่ลมหายใจแต่ก็ไม่ต้องไปไปเครียด ก, กับมันนะไม่ต้อง แต่อย่างนั้นได้อย่างนี้เราก็มีหน้าที่อยู่อย่างเดียวนั่นแหละแค่ว่าคอยประคองให้สติอยู่ที่ลมหายใจให้ได้ล่อยๆต่อสู้กับความคิดต่อสู้กับความปวดต่อสู้กับความเผลอยิ่งเรารู้ว่าเราเผลอแล้วเราก็เปลี่ยนกลับมาเป็นบุคคลผู้มีสติเฉพาะหน้าได้ เราก็ได้แต้มไงได้แต้มอยู่เรื่อยแด้แต้มจากการที่เราเปลี่ยนความเผลอความหลงให้กลับมาเป็นสติที่ตื่นรู้เป็นผู้ที่เท่าทันใจของตัวเองเราก็ฝึกจากความที่ล้มเหลวมาเลยการล้มเหลวมันก็ทำให้เรามีข้อที่จะต้องปรับปรุงใช่ไหม รล้มเหลวแล้วเราได้ปรับลงให้มันดีขึ้นเลววเวลก็อักเนแต่การที่เราทำอะไรก็ดีดีดีบางทีมันก็ไม่รู้เลยว่ดียังไงบ้างดีถูกหรือดียังไม่ถูกถ้าเรารู้ว่าอะไรไม่ดีแล้เราค่อยๆแก้ไปมันดีแน่นอนจากการที่ไม่ไม่เห็นไม่รู้ว่าตัวเองเผลอเนี่ยมันก็ทำให้เรา คิดหรือว่ารู้สึกได้ ว, ว่าเออมันก็ดีอยู่แล้วไงชีวิตก็ปกติดีแต่พอเรามาฝึกเรามาหัดเรามีการตั้งใจสํารวจตั้งใจดูตั้งใจจดจ่อแล้วเนี่ยมันก็ค่อยๆเริ่มเห็นเลยว่าเออความเฉลเราก็มีนะใจเรามันก็วิ่งไปความคิดบ่อยๆนะพอมันเห็นแบบนี้แล้ว มันถึงจะรู้ว่าเออเราควรจะปรับปรุงแก้ไขแต่บางทีภาพลักษณ์เราก็อยากจะเหมือนเท่ๆอ่ะทำแล้วก็ทำแล้วได้ดีทำได้เก่งตลอดภาพลักษณ์เจ๋งๆงั้นก็ไม่เอาเราเราเดินอยู่บนความเป็นจริงนี่แหละความเป็นจริงนี่มันก็ไม่ได้มีอะไรโรด้วยเกล็ดกุหลาลว เพราะว่าเรากําลังเดินบนเส้นทางของความทุกข์อะนำมุ่งนำมุ่งหน้าไปสู่ที่สุดแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นณนะตรงนี้ณนะปัจจุบันนี้มั น, มนทุกข์แ น, น่นอนเรากําลังเดินบนเส้นทางทุกข์มันต้องไม่ดีสิถ้ามันดีมันต้องมีอะไรผิดปกติเราต้องได้เห็นอะไรแ น, น่นอนเซนเซอร์เรามันต้องเสียแ น, น่นอน ถ้ามันไม่ดีสิ่งที่เราควรจะทำก็คืออย่าไปย่อท้อกับมันไม่ต้องไปใส่ใจกับความยากลำบากมันมีงานเราก็ทำพอเราทำงานมันก็มีความก้าวหน้าพอมีความก้าวหน้ามันก็ไปขไ้้งหน้าเน่แหละเราปักธงเอาไว้อย่างไรทางที่เราเดินอยู่มันไปสู่จุดหมายที่เราปักธงเอาไว้ หน้าที่ของเราก็คือไม่ใช่อยู่เฉยๆมันต้องก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆก้าวไปก้าวไปมันก็คือเหยียดย่ำความทุกข์ไปเรื่อยๆอย่างเหยียบย่ำความลําบากลาบนไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นพลาดลักธ่บางีเราอาจจะรู้สึกว่าท่านปฏิบัติทำปฏิบัติไปแล้วชีวิตฉันก็จะดีดีมีความสุข มันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งะแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะมันเป็นส่วนหนึ่งแต่บางทีเราจะเอาอันเนี้ยมาเป็นทั้งหมดของการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าเรามีความเห็นตั้งทงไว้แบบนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเดินไปได้ไม่สุดทางแน่นอนเพราะอะไรเพราะการที่เราตั้งทงว่าเออเราปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ต้องมีความสุขอยู่เรื่อย มีความสุขอยู่เราก็จะกลายเป็นคนที่มีจิตใจเนี่ยยอ่อเพ้อต่อความทุกข์ที่มันมากระทบกระเทือนจิตใจเราแต่คนที่เขาไปได้ดีไปได้อย่างดีจิตใจของคนเหล่านั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่ดารงจิตใจคือเขาไม่ยอ่อเพ้อต่อความทุกข์เขาไม่ยอ่อเพ้อที่ เห็นทุกเห็นทุก ข, ขาก็แก่ทุกไปเราก็พยายามหมั่นดูว่าเอออะไรมันเป็นช่องที่เรายังให้ทุกมันเข้ามากระทบกระเทือนใจเราอยู่เขาก็จะเป็นคนประเภทนั้นเลยสืบสอบหาสาเหตุอะไรมีทุกขเพราะอะไรมันก็เข้ากระบวนการเลยแหละก็คือ เราอยากพ้นทุกข์เราก็ต้องรู้จักทุกข์ก่อนพอรู้จักทุกข์แล้วเนี่ยเราก็ไม่หยุดแค่นี้นะเราก็ต้องพัฒนามันอีกพัฒนาไปให้เห็นว่าอะไรมนเป็นเหตุของทุกข์นั้นนั้นการที่เราเห็นเหตุของทุกข์นั้นๆเราก็จึงจะเข้าไปสู่กระบวนการคือหาทางที่เราจะ ดับเหตุของทุกันนั้นคนที่อยากพ้นทุกก็จริงต้องไม่กลัวทุกไม่ย่อท้อต่อความทุกแล้วก็ไม่ได้ติดสุขด้วยเราอยากมีความสุขก็จริงแต่ถ้าเราอยากไปให้มันดีกว่านั้นเราก็ต้องไม่ติดไม่ติดไม่ยึดในความสุขด้วย ซึ่งถ้าเราละเอียดละอออย่างดีเนก็จะรู้ว่าการที่เรามีความยินดีในความสุขมีความยึดถือในความสุขมันก็เป็นเหตุนําความทุกข์มาให้เราหลยมีความยินดีมันก็มีความยึดติดใช่ไหมมีความยึดติดมันก็มีความยึดมั่นถึงบ้านมีความยึดมั่นถือมั่นตรงไหน มันก็มีความเป็นเราฝังลงไปตรงนั้นแหละพอมันมีความเป็นเราอยู่ตรงไหนตรงนั้นถ้ามันเปลี่ยนแปลงถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปนะมันก็กระเทือนเกระเทือนอเราเพราะเราอยู่ในนั้นอันนั้นของเราอันนี้ของเราเราเป็นอันนี้เราเป็นอันนี้เราเป็นอันนั้น พอมันกระทบเราปุ๊บมันก็วิ่งไปที่ใจนี่เลยเพราะฉะนั้นท่านถึงให้ให้เราพย e ายามพยายามถอดถอนความเป็นเราออกไปเหมือนเงินในกระเป๋าสตางค์ะถ้ากระเป๋าสตางค์ของเราเนี่ยเงินหาย ว่าเงินในบัญชีของเราเนี่มันหายโดนขโมยโดนแฮกนี้คงมันก็จี๊ดจา๊าดมแหละจะน้อยจะมากก็จี๊ดจา๊าดขนาดนั้นแหละแต่ถ้าพอเป็นของคนอื่นเราดูข่าวเราคนนั้นทำตังค์งหายคนนั้นโดนขโมยเงินในบัญชีเราก็ไม่กระตือือนใจเท่าไหร่หรือไม่กระตือนเลยเพราะว่าอะไรครับ มันไม่มีความเป็นเราอยู่ตรงนั้นแต่ถ้ามันมีความเป็นเราอยู่ตรงนั้นเราก็กระเทือนขึ้นมาทันทีังนั้นท่านจึงให้ถอดถอนความเป็นเราออกซักถ้าเราถอดถอนความเป็นเราออกซักมันก็จะชีวิตเบาสบายขึ้นเพราะฉะนั้นจึงต้องมาหมั่นพิจารณา คำว่าเราเนี่แหละให้ม า, มากมากให้มันมากมากเข้าไว้กานที่เราม า, าทาให้จิตใจเนี่ยมีความสงบเกิดขึ้นเราก็อยากทำให้ความสงบที่มีอันนี้เนี่ยมันเสียเปล่าไปโดยการที่เราเข้าไปพักอยู่ในภาวงอย่างเดียวในการที่เรามีสติอย่างแจ่มชัด แล้วเราเอาสติกกับความสงบในใจอันนี้เอาเป็นสติเป็นตัวควบคุณใจเอาความรู้สึกในใจไปไตรตรองใตรครูพิจารณาตามความเป็นจริงถึงถึงคำว่าเรานี่แหละว่าอะไรบ้างที่มันเป็นเราเอาให้มัน ง, ง่ายง่ายที่สุดเนี่ยแหละก็คือ ร่างกายอันนี้แหละที่เรายังรู้สึกว่ามันเป็นเราแต่ในระหว่างที่พิจารณานี่ก็อย่าทิ้งนะอย่าทิ้งสติที่อยู่เฉพาะหน้าให้ พ, พยายามเข้มข้นกับสติเฉพาะหน้านี้ไว้แล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะพิจารณ า, นานได้หรือเราก็เอาความรู้สึกในใจเราเนี่ย หรือไความสงบที่อยู่ในใจเรานี่แหละเอาความรู้สึกอันนั้นนี่แหละมาตรองไปตามความเป็นจริงเพราะเวลาที่เราเข้าใจเนี่ยสักมันก็ตรงตัวอยู่ตรงตัวอยู่แล้วว่าเข้าไปในใจเข้าที่ใจแต่ถ้าเราเอามันเข้าไปเฉพาะที่สมองเย่างเดียวอันนี้มันมันยังแก้ไม่ได้ความเข้าใจ แค่ชั้นตักกะว่าอันนี้ใช่อันนี้ถูกตามตักกะมันยังแค่ทุกได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องเอาไอ้ตักกะที่เราเข้าใจอันนี้เนี่ยยัดมันลงไปในใจด้วยยัดลงไปในใจของเราหัวใจของเราอารมณ์ในใจของเราเนี่ยแหละยัดมันลงไปก็คือเอาอารมณ์ที่มันสงบอันนี้ ในใจของเราอันนี้เอามาตรองตรองตามสิ่งที่เรากำลังพินิษฐ์พิจารณาอยู่สติเราก็เป็นคนคอยกำกับอย่างที่เฉพาะหน้านี่แหละความรู้สึกเราก็ตรองไปว่ามันใช่ไหมใช่ใช่จริงไหม เพานจึงให้รักษาสติของเราไว้ที่เฉพาะหน้าด้วยแล้วก็ค่อยเอาความรู้สึกในใจของเราเนี่ยอารมณ์ในใจของเราเนี่แหละตรองไปให้มันยอมรับลงไปในใจไม่ใช่ยอมรับเฉพาะตักจากความคิดอย่างเดียวอย่างเวลาที่ถ้าในมองย้อนกลับมาที่ตัวเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นที่นิยมก็คือ คอยดูในน่แหละว่าเรายึดติดอะไรในในตัวเราในนอนมันก็มีเรื่องความสวยความงามนั่นแหละเป็นของสะอาดเป็นของสวยเป็นของงามคนเรามันวุ่นวี่วุ่นวายก็เรื่องนี้แหละสะส่วนมากยึดติดมันก็ยึดติดเรื่องนี้แหละสะัส่วนมาก ย, ายิ่งพ่อ อยู่ในวงการสวยงามเนี่ยแฟชั่นต่างๆเนี่ยแต่งหน้าต้องทักต้องแต่งคิ้วอย่างนี้นะต้ององศาแบบนี้นะต้องมีการกันคิ้วอย่างนี้นะต้องทา้าดิจิตติกแบบนี้ต้องป้ายสีตรงแก้มแบบนี้ให้มันได้อย่างนี้แล้วมันก็จะดูดีอันนั้นเขก็จะมีสมมุติปรุงแต่งไปเรื่อย มันต้องสวยอย่างนี้อพอเป็นสวยอีกอย่างหนึ่งต้องแต่งอย่างนี้จนบางทีถ้าเราไม่ได้ย้อนใจกระตุกใจของเราออกจากสิ่งที่เราเข้าไปครุกคลีอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะมีความยึดติดความเห็นที่มันไปฝ่ายนั้นอยูยถ่ทยเดียว แต่ถ้าเรามีสติคอยหมั่นดูความเป็นจริงด้วยอีกฟากหนึ่งใจเราก็ไม่ไปดิ้นรนตามเขาอะว่าต้องสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าสวยแล้วสวยอย่างธรรมดาธรรมดามันสวยไม่เป็นหรือยังไงแล้วอย่างที่ที่มันเป็นจริงๆเนี่ยมันสวยอย่างที่เขาว่าได้ตลอดไหมที่แท้ไหม 24ชั่วโมงไหมถ้ามันไม่ได้24ชั่วโมงหรือตลอดไปเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่ของแท้มันไม่ใช่ของจริงเราก็ไม่ควรจะไปยึดถือเอาสาระอะไรกับมันมากหากใช้เท่าที่มันจะควรจะต้องใช้ไปอยงผมก็ต้องคอยหมั่นสระผม คอยหมั่นที่จะทําความสะอาดว่าในอะบางคนก็บอกผมยาวต้องทําอย่างนี้ผมสั้นต้องอย่างนี้ถึงจะสวยถ้ามันมีมาตรฐานความสวยเนมันคงไม่แต่งไปได้เรื่อยๆเพราะความเป็นจริงมันก็พยายาปั้นแต่งกันไปนั่นแหละความจริงมันก็มีอยู่ ถ้าเราปล่อย ท, ทิ้งเอาไว้โดยไม่ปรุงแต่งอะไรมันเนี่ยมันก็เผยสภาพตามความเป็นจริงออกมาให้เราเห็นนั่นแหละมันก็ยุ่งเหยิงมันก็สกรปรกมันก็มีกลิ่นที่มันไม่พึงประสงค์งผมเราถ้าเราไม่สระไม่อะไรเนี่ยสักเดือนหนึ่งเนี่ยสังกัดตังถามหาแะไรทีนี้ ไม่สระผมสามวันห้าวันนอนก็เหม็นเหม็นหัวเราเลยไม่ต้องให้ใครมาเหม็นกับเราเลยเราก็เหม็นหัวตัวเองเลยนะไม่อาบฟันไม่แปลงมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะไม่ต้องให้คนอื่นมาอยู่กับเราเราก็อยู่กับตัวเองไม่ได้เหมือนกันอันนี้แหละมันคือสภาพตามความเป็นจริงที่ที่มันเผยให้เราเห็นนะ่ะแต่โดยปกติเราก็ พยายามพยายามที่จะปิดบังความเป็นจริงอันนี้เอาไว้เพราะเราไม่ชอบความเป็นจริงอันนี้นะเราก็พยายามปิดบังความเป็นจริงอันนี้เอาไว้เป็นกันที่เราฉับผมบ้างตัดผมบ้างแฟนฟันอาบน้ำบ้างนี้ทําให้เราไม่เห็นถึงความเป็นจริงเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเรามันเป็นของที่ไม่สะอาด พอเราอยู่กับของว่าสะอาดอย่างนี้มันก็เป็นอะไรที่ไม่น่ายินดีอ่ะเราก็ไม่ได้ยินดีกับร่างกายอันนี้กับร่างกายคนอื่นถ้าเขาไม่ได้ดูแลเขาปล่อยให้ความเป็นจริงมันเผยออกมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ยินดีกับเขาเหมือนกันพอไม่ดูแลตัวเอง ไม่อาบน้ำไม่สระผมแม่แปลงฟันเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยสิวมาละสังกตร์ตังมาละโรคผิวหนังมาละน้ําเหลืองเป็นตุ่มขึ้นมาละความสวยความงามมันก็ไม่ได้มีสวยความงามมันเก่าแหะพอั้งเติบพอมัน เ, มเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยต่อให้อยู่ด้วยกัน มีความรักแล้วเราจะอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวหรืออยู่เป็นคู่อย่างเงี้ยมันก็ทนไม่ไหวแหละมันก็ต้องไปอาบน้ําไปหามหมออ่าเพราะอะไรเพราะเราไม่ชอบนะว่ามันเป็นมันเป็นของโสโครกใช่ไหมอันนี้แหละความเป็นจริงของคนเรานะความเป็นจริงจริงๆมันเป็นอย่างนี้ นเพีแต่เราละเลยใจของเราเนี่ยนะมันละเลยละเลยความเป็นจริงอันนี้มองแต่แค่ด้านเดียวมองแต่ไอ้ด้านที่กิเลสพาไปแค่สวยงามอย่างเดียวไอ้แง่ของความเป็นจริงคือความไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลของเน่าเหม็นเราก็ละเลยไม่ค่อยไม่ค่อยหมั่นที่จะบอกใจว่าเออจริงๆความเป็นจริงเป็นอย่างี้นะ แล้วเราเห็นว่ามันสวยมันงามอย่างเดียวมันไม่ดีตรงไหนมันก็ดีเลชีวิตมันก็ดีใช่ไหมเราก็อยู่อย่างนี้มันก็มีความสุขดีแต่มันก็ดีไม่จริงไงมันดีได้ไม่สุดทางเพราะไอ้วันหนึ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปอ่ะเพราะว่าเราบังคับมันไม่ได้ตลอดร้อยเปอรเซนถึงวันหนึ่งผมที่มีมันก็หลุดล่วงไป ถึงวันหนึ่งผมที่มีมันก็ขาวมันก็เงาะฟันที่มีเหงือกมันก็ร่นฟันกน็ดุข่าวก็เสื่อมผิวหนังก็เหี่ยวเหล่านี้เนี่ยเราควบคุมมันไม่ได้หรอกนะพอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเราชอบการรักกันอยู่เฉพาะความสวยความงามตามสมมุติของร่างกายอย่างเดียวนะ ต้องผิวตึงอย่างนี้ผมดําอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นมันก็จะไม่เราครบกันครองคู่กันอเงี้ยมันก็ไม่ดีละถ้าไปเจอคนที่คนใหม่ที่เขาผิวไม่ได้เหี่ยวผมก็ดําสนิทดีอะไรเงี้ยมันก็ชีวิตคู่มันจะสั่นคลอนละทีนี้นะเพราะความยึด ต, ติดในความสวยความงามในแบบ สมมติเนี่ยมันก็พาเราไปพาเรานอกใจคู่เราออกไปแต่ถ้าเราคอยหมั่นที่จะสอนใจเราอยู่เรื่อยๆนะว่าความเป็นจริงเนี่ยเออมันก็เท่านี้แหละคนเราเตึนได้มันก็หย่อนได้ผมมันดำได้ผมมันก็ขาวได้มันก็ไม่แน่ไม่นอนหรอกแล้วคนเรามันอยู่ด้วยกันนะ สิ่งที่มันสำคัญมากกว่าไอ้ผิวตึงๆผมดาๆนี่ที่ อ, อะไรก็คือนิสัยไนะต่อให้หน้าตาสวยงามหรือว่าหลอ่หลอขนาดไหนพูดคำหนึ่งก็ด่าคำหนึ่งพูดคำหนึ่งเสียสีคนอื่นคำหนึ่งเราก็ไม่อยากอยู่ใกลนะแต่ถ้าเกิดว่าปกติปกตินี่ยแหละเราเป็นคนที่มีพูดจาเป็นประโยชน์อ่อนหวาน มีจิตใจที่มันเยือกเย็นผ่องใสใครอยู่ใกล้ก็มันก็เยือกเย็นไปด้วยมันก็เป็นคนที่น่าอยู่ใกล้น่าอยู่ใกล้น่าคบหาน่ารักใกล้คุณเรามันมันอยู่แบบนี้มันมีความสุขกว่าใช่ไหมเพราะั้นถ้าเราไม่ฉีกสมมติของเราออกมาเนี่ยไม่ฉีกสมมติ ออกมาให้เห็นความเป็นจริงเนี่ยเราก็ไปยึดติดนั่นแหละว่าเออต้องอสวยแบบนั้นต้องไปหาหมอนะมันหย่อนเราก็ไปหาหมอดึงให้มันตึงไปเสริมนั่นแต่งนี่อะไรต้นก็หวังว่าอะไรหวังว่าเขาจะชอบแต่ถ้าเรายังเป็นคนจิตใจเร่าร้อนเป็นคนปากร้ายถึงให้มันดียังไงเนี่ยอยู่ไปสักพักมันอาจจะดีนะ แต่พออยู่นานๆเนี่ยมันเคยชินน่ยเคยชินกับไอ้หน้าตาอันนี้ผิวหนังแบบนี้ทรงผมแบบนี้สวยยังไงอยู่ๆไปทุกวันทุกวันมันก็ชินแต่สิ่งที่มันจะทําให้คนอยู่ด้วยกันยั่งยืนก็คืออุปนิสัยนะฮะผู้จาหวานหูไหมมีเมตากันไหมมีความเอื้อเฟื้อกันไหมอันนี้มันทําให้คนเราคบกันได้อย่างยั่งยืน นั้นเราจริงต้องมาฉีกสมมติออกคอยดูความเป็นจริงอยู่เรื่อยๆชีวิตเราก็จะได้สบายไม่หนกเพอเราเดินถูกถูกตามในสิ่งที่มันควรจะเป็นมากขึ้นชีวิตเราก็สบายขึ้นแต่การที่เราจะผลักตัวเราออกจากสมมติความยึดติดอย่างนี้ได้เนี่ยแล้ การที่จะต้องมาทําบ่อยๆทําให้มันเคยชินทําให้เป็นนิสัยของใจเป็นเรื่องจำเป็นเป็นเรื่องจําเป็นนะเะงั้นความสงบของใจก็ยิ่งเป็นเรื่องจําเป็นมากถ้าการที่ใจเราไม่สงบมันก็พิจารณาให้มันเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยได้ยาก แล้ท่านถึงกล่าวไว้ว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพลาโคติวะหานิสัน้นาก็แปลว่าปัญญาที่สมาธิอบรมดีแล้วเนี่ยมีผลมากแล้วการ ท, ที่ใจมีความสงบระงับน้อยมีความตั้งมั่นมีอารมณ์เป็นหนึ่งน้อยความที่จะเข้าใจตามความเป็นจริงได้เนี่ยมันก็น้อยต่างไปด้วย การความสงบก็จึงเป็นสิ่งที่จเป็นแต่การที่เราจะทําความสงบได้ดีใจเราก็ต้องมีเรื่องวุ่นวายน้อยใช่ไหมถ้าเรื่องวุ่นวายเยอะมันทําความสงบมันก็ยากเพราะนั่นการที่เรามีเรื่องวุ่นวายภายนอกน้อยๆมันก็เป็นเหตุปัจจัยเอื้อให้เราทําความสงบได้ดีเพราะนั่นการที่เราจะมีเรื่องวุ่นวายภายนอกให้มันน้อยเนี่ย เราก็ต้องรักษาสิ่งที่มันดีด้วยการที่เรามีสิ่งห้าที่มันบริบูรณ์เนี่ยมันก็ทําให้เรามีเรื่องวุ่นวายภายนอกน้อยพอมันเรื่องวุ่นวายน้อยเราก็ทําความสงบใจได้ดีขึ้นพอเรามีความสงบใจดีแล้วเราก็มาหมั่นพิจารณ า, ากายเรานี่แหละ ว, ว่าเออกายเนี่ยมันของเราจริงหรือเปล่า เราควบคุมมันได้จริงๆหรือเปล่าผมมันหงอกเราก็ควบคุมไม่ได้นะสั่งให้มันไม่หงอกก็ทำไม่ได้สั่งให้ผิวหนังมันไม่เหี่ยวก็ทำไม่ได้สั่งให้มันไม่ปวดไม่เมื่อยก็ทำไม่ได้มันก็เป็นไปของมันอย่างนั้นสิ่งที่เราทาได้คือคอยดูมันนี่แหละถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ย มันก็เป็นส่วนของร่างกายกายอันหนึ่งใจอันหนึ่งถ้าร่างกายมาเป็นทุกข์แล้วมันจาเป็นต้องมาทุกข์ใจไหมถ้าท nee? ุกข <vet> ์กายด้วยแล้ว <artists>. มันก็มาทุกข์ใจด้วยแต่ถ้าเราทำให้มันทุกข์กายแล้วมันไม่ทุกข์ใจได้ด้วยมันก็ดีเพราะฉะนั้นกายอันหนึ่งมันก็ใจอันหนึ่งถ้าเราทุกข์กายถ้าเราไม่ทุกข์ใจเราด้วยมันก็ดี แล้วจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องคอยจดจอ่ออยู่กับในภายในของเราให้ดีเราจะค่อยๆเห็นนะแหละว่าร่างกายอันหนึ่งใจอันหนึ่งที่ที่ไปถึงจุดหนึ่งแล้วนี่มันไม่เกี่ยวข้องกันงั้นก็คอยรักษาสติอย่างนี้แหละให้มันดีรักษาให้สติให้มันจชัดไปเรื่อยๆ แล้วก็มั่นที่จะคอยเห็นเนี่ยร่างกายใครใจสงบดีแล้วก็เอามาพิจารณากายอยู่บ่อยๆพิจารณาให้มันเห็นถึงความไม่สวยไม่งามพิจารณาเห็นถึงว่ามันไม่เที่ยมหรอกสุดท้ายเนี่ยคนเราก็ตายทุกคนเข้าลงเข้าเตาเผ า, าเตาเผาก็ไม่เหลืออะไรสักอย่างเหตุการาเป็นเราก็อยู่ตรงไหนงั้นก็ต้องคอยคุยกับใจเราบ่อยๆนี้แหละ คอยกูอย่างนี้แหละบ่อย